ขอความสุขความเจริญที่มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอากังขยสูตรแปลว่าประสูต์ที่ว่าด้วยความหวังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนเหตุ ว่าเมื่อคนบุคคลประกอบเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทํานองใล้ๆกับเป็นการพูดให้ชาวนาทํานาชาวสวนทําสวนนักเรียนนักศึกษาก็เราเรียนศึกษาไปและผลจากการทํานาทําสวนจากการเราเรียนศึกษาก็จะเกิดขึ้นติดตามมาเป็นลําดับ พลักษณะของพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมีวิธีการในการสแสดงอยู่สามระดับด้วยกันเขาแรกเรียกว่าทรงสแสดงธรรมเพ้่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและเขาสามารถรู้สามารถเห็น คือหมายความมาตรวจสอบพุทธิภาวะของผู้ฟังแล้วก็ปรับพระธรรมเทศนาให้สดรับกับพื้นฐานของผู้ฟังตามสมควรแก่กรณีนั้นๆั้นการยักย้ายสบเปลี่ยนพระธรรมเทศนาเหล่านี้ก็ทำให้พระธรรมเทศนามีการพูดว่ามีถึงแปดมืนสี่พันพระธรรมคันธ์ แล่วพระอาจารย์รุ่นหลังก็มีการนับกันขึ้นว่ามีพระนายอพระวินัยสองหมพันพระธรรมขันพระสูตรสองหม่พันพ ร, ระธรรมขันพระปิธรรมสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันก็ที่จริงก็เป็นเรื่องมากนะเป็นปริยายเป็นนิยต์ที่จํานวนมาก เพราะถ้าเราดูว่าแปดห0ื่นสี่พันเนี่ยมันใช้ในกรณีต่างๆเยอะมากก็ เ, เรียกว่าเป็นอนเนกสังขยาเป็นการพูดถึงสัตว์ฟังมัรธมเทศนาแปดหมื่นสี่พันธรร ม, มาพิสมัยได้มีแล้วแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มาก พันจริงๆแล้วก็เป็นปริยายของธรรมะที่มารามองแล้วก็จะเป็นเรื่องอริยสัจสี่เพียงแต่ว่าทรงเน้นเรื่องอะไรทรงเน้นที่ทุกทรงเน้นที่สมุ ท, ทัยทรงเน้นที่นิโรธทรงเน้นที่มรรคตามปกติก็จะทรงเน้นที่สมุทัยกับเน้นที่มักในเป็นหลัก เพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้อที่สองเนี่ยส่งแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็จะสัมผัสผลตามที่ส่งแสดงเพราะในขั้นฟังมันก็เห็นจริงตามที่ส่งแสดงพอเราคิดเราก็จะเข้าใจชัดเจนมา ก, กิ่งขึ้นแต่ว่าชัดเจนจริงๆต้องเป็นผลจากการปฏิบัตินะ คือถ้าไม่ถึงสัมผัสระดับผลมันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแต่ว่าผลสัมผัสเป็นเรื่องชี้พูดกันยากรือหมายความใครสัมผัสแล้วก็พูดให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้คนอื่นก็ต้องสัมผัสเองตำหนองสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคือระเ ว, นว็นเอาข้อจริงมันก็อธิบายไม่ได้ สวยไหมรูปสวยไหมเสียงไพเราะไหมกลิ่นหอมไหมรสอร่อยไหมสัมผัสน่าจะบต้องไหมอธิบายไปอธิบายมาก็ต้องให้ดูเ อ, เองให้ฟังเราเองให้ดมเอาเองให้ชิมเ อ, เองให้สัมผัสเองแล้วพอคนนั้นสัมผัสพออธิบายคนอื่นมันก็ไม่ได้กะมันก็ต้องให้สัมผัสเอง แต่ว่าธรรมะนั้นเป็นสัมผัสทางจิตเป็นการจางไปคลายไปบรนเทาไปของกลุ่มกิเลสและก็กลุ่มทุกข์ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มมรรคและก็กลุ่มนิโรธอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จิตก็จิตใครก็จิตคนนั้น เราเห็นว่าอย่างแนวพระสูตรก่อนเนี่ยอนันตนสูตรโดยการเน้นที่ตัวสมุทัยศาสตร์คืออิสาวจรโดยเน้นไปที่กิเลสประเภทที่เรียกว่าเหมือนกันเนินเด่ะถามยงิงเนินคืออะไรก็คือราคาโะโลภโทสะโมหะเนี่ย แต่อย่าลืมว่าเนินเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเทียบเขียงเนินคือกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้ามได้ยากในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงเนินโพเนินเจดีเนินวัดเนินอะไรต่ออะไร ต, ะต่างๆมันก็ขึ้นไปได้ยากเหมือนกันเพราะเราเห็นว่าการละ ก, กิเลสก็ทำได้ยากการเพิ่มปูนขึ้นของธรรมะก็ทำได้ยาก เพราะแต่ละอย่างก็สามารถเรียกว่าเนิรดได้แต่ว่าจะเน้นว่าอะไรอ่ะเน้นว่ากิเลสเพียงดังเนิรดเน้นว่าธรรมะเพียงดังเนินดเน้นว่าปัญญาเพียงดังไฟหรือว่ากิเลสเพียงดังไฟเราจะเนว่าในส่วนไฟที่เผาผลาญทำลายเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นเฉพาะกิเลสอย่างเดียว สัมมาวายามะที่เปลยวัตปะเนี่ยแปลว่าความเพียรในลนาาักษณะเผาผลาญทำลายแต่ว่าเผาผลาญทำลายกิเลสแต่ในขนาดเดียวกันบางครั้งท่านก็เรียกว่าราคคีตุสักคีมวักคิก็พูดถึงเผาผลาญเหมือนกันแต่เผาผลาญทำลายความดีทำลายความสุขทำลายความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องเข้าใจว่า มันเป็นเครื่องมือในการสื่อเป็นอุปกรณ์ในการสื่ออย่างนึ่งธรรมะเราจะพูดดังเนินก็ได้เพราะว่ามันก้าวขึ้นไปได้ยากแต่ในขณะเดียวกันกิเลสเพียงดังเนินก็คือข้ามได้ยากเพราะเนินมันสูงการละ ก, กิเลสแม้แต่เพียงขอเดียวเนี่ย เทวดาโทสะมันก็ยากการเจริญเมตตาให้จิตอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยก็ยากการละโลภะเนี่ยก็ทําได้ยากการเสียสละประโยชน์สุขต่างๆของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเนี่ยก็ทำได้ยา ก, ก, ายาย ก, กดากังนั้นทั้งหมดเนี่ยละชั่วก็ทํายากทําดีก็ทําได้ยาก เพาังใครทำได้ก็ถือว่าเป็นคนดีละชั่วได้ก็เป็นคนดีทำความดีได้ก็เป็นคนดีนะฮะเพรานัข้ามเนินคือกิเลสได้ก็เป็นคนดีขึ้นเนินคือธรรมะได้ก็เป็นคนดีในที่นี้ทรงเปลี่ยนเป็นการพูดในแนวเป้าหมายว่าอาังารขยะรับสั่ง ตอนนั้นก็ประทับที่ประเทศตวันคือพระสูตรส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าทรงแสดงที่ประเทศตะวันแต่ว่าธรรมเทศนาพระสูตรนี้มีลักษณะใคล้ายคล้ใกล้คเคียงกับพระสูตรก่อนเแต่โดาผู้แสดงแตกต่างกันพระสูตรก่อนอ น, นังคณะสูตรนั้นพระสารีบรุตรแสดงเป็น เป็นเขเรียกว่าอัธยาศัยศูนย์ตัวท่านที่ต้องการจะพูดคุยกับพระภิกษุทั้งหลายก็เป็นอัตตชาสยาคือเกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของตนก็คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอง์หนึ่งก็อธิบายองค์หนึ่งก็ซักถามเพื่อขยายกระจายประเด็นให้ง่ายต่อการที่จะจับประเด็น ประธรรมเทศนาในแนวนี้ที่จริงก็เป็นอัตชาศยาคืออัตยาสัยของพระพุทธเจา้าที่มีพระประสงค์จะทรงแสดงเพราะเราสังเกตได้ตอนขึ้นต้นเนี่ยมันจะต่างกันคือบางทีนี่ขึ้นต้นด้วยการถามเช่นมงคลละสูตรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เทวดากับมากราบถุนถามซึม่งเรื่องมงคล แต่อย่างรัตนสูตรเนี่ยมันเกิดด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือเกิดทุพพิกภัยขึ้นในเมืองไพรสลรหรือกรณีอยาเมตสูตรเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่มาถึงอนัตตลักษณ์สูตรอดีติอธิตะปรายยสูตรก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาสียาคือเป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของปุราณนเชดินที่ท่านคล้องติดด้วยการบูชาไฟมานาน แต่พอพระปรัญมณีพคีก็มาแสดงที่อนันตตะลักกัสูถึงติดอยู่ที่อัตตาอยู่แนนตัวนี้ก็เหมือนกันคือเป็นอัตชาศยาคือเป็นอัธยาศัยของพระองค์ที่มีพระประสงค์จะกระตุ้นเตือนให้พระสงฆ์จำนวนมากในเดสนัถถึงพันธกิจอ่ะมันเป็นภารกิจและเป็นพันธกิจ ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้ที่จริงเป็นประเด็นประเด็นสำคัญนะในช่วงตรงนี้ท่านปูฟังจำนวนหนึ่งเนี่ยฮะที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสมณศักดิ์อะไรอยูนะ่เนี่ยมันเริ่มมีข่าวแล้วตอนนี้มี่ข่าวสุบสิบ พูดกันอะไรต่ออะไรกันคือสมณศักดิ์เนี่ยมีคุณ อ, นนอันนั้นแต่มีโทษมหาันคือถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยมันมันได้สถานะมันได้ท่าชี้มันได้อำนาจมันได้ตำแหน่งมันมีที่เหยียบที่จะทำงานพอถ้าเราดูคำอาราธนาเนี่ย เราเห็นว่าเป็นการมอบหมายภารกิจเน้นย้ำถึงภารกิจที่จริงที่ท่านมีอยู่โดยกำเนิด่ะโดยการเป็นพุทธบริษัทนี่แหละมันมีอยู่โดยกำเนิดแล้วเพียงแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเน้นย้ำขึ้นในคำประกาศ ในคำประกาศแต่งตั้งหรือสถาปนาก็แล้วแต่นะข้อความมันจะสดคล้องกันเพียงแต่ว่ากรอบมันกว้างแคบไม่ เ, เหมือนกันขออาราธนาให้รับภาระพระพุทธศาสนารับธุระนะฮะธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยงับอธิกร อนเุเคราะห์ไปวิสุทธิสามเณรตั้งแต่เนี่ยพรารามโดยควรเถิดพราว่าถึงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเน่ถือว่าเป็นสกุลมหาสังฆปนายกข้อความมันก็ขยายตัวมันเองขออาราธนาให้ทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะครับเดินภาลสั่งสอนเหมือนเดิม ช่วยระ ง, งับอธิกรณ์กรอบมันขยายล้วช่วยระับช่วยระ ง, งับอ น, นิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสันสามเนในสงฆ์บบุญทนทั่วไปโดยสุงควรแก่พระราชยศซึ่งได้พระราชทานนี้เป็นเป็นภารกิจแล้วก็เป็นพันธกิจที่ผูกพันว่าเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ แต่ทําไม่ได้ทําให้ดีทําให้เป็นทําให้เหมาะสมแก่สถานะที่ตนเป็นไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไม่ได้สนักในประเด็นนี้เราก็เป็นเน้นที่การเฉลิมฉลองีการแสดงความบินดีมีการให้ของขวัญมีอะไรต่วอะไรออวุ่นวายกันอยู่เนี้ย แต่เทศนาตรงนี้เราจะได้บุคลาก ร, กรที่มีคุณภาพคือมันได้สถานะมันได้ตนแหน่งมันได้อำนาจมันได้นาชีทำให้ทำงานได้เราจะเห็นว่ามันสอดรับกับพระพุทธธํรมรับที่พุทธเจ้าทรงแสดงในอากังขยสูตรมีข้อความว่า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 จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาธานศึกษาในสิกขบททั้งหลายเติดพระพุทธดารัสตรงนี้ถือว่าเป็นโอวาทานุสาสนีที่ทรงพร่ำสอนอยู่ตลอดแม้ในบทที่พระสวดหลังจากทรรมปาติโมก ก็จะมีข้อความตรงนี้อยู่ก็เรียกว่ามีการย้ำเตือนกับทุกสิบห้าวันนพระบกอบรมเนื้อหาสาระของความเป็นพระเนี่ยคืออย่าลืมว่าความเป็นพระเนี่ยมันเกิดด้วยพระวินัยเพราะเมื่อ น, นิยามคงว่าภิกษุเนี่ย ท่านยามว่าที่ได้ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ที่สงพร้อมเพียงการยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบด้วยย ต, ติจตุตกรรมอุปสัมปทาอันไม่กำเริบจึงชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะการเกิดเป็นภิกษุเนี่ยมันเกิดในทัพกลางสงโดยกระบวนการลำดับการที่พระเจ้าทรงวางไว้แต่ว่าการดารงสถานะความเป็นภิกษุเนี่ย มันอูที่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวพระวินัยเพราะนัหลักการสาคัญของการเป็นพุกษุจึงในแง่ของศีลเนี่ยในแง่ของสิกขาบทนะสิกขาบทก็คือก้าวของการศึกษาเป็นพัฒนาการที่จะต้องปรับตัวเอง ข้าหาสิขาบทนั้นๆมีความประนีตลงไปโดยลําดับเราดูตัวอย่างง่ายๆที่จริงสีนใหญ่เนี่ยก็คือสินห้าอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอแต่สินห้าจริงๆมันก็อยู่ที่สีข้อแรกเพราะว่าสีข้อแรกนั้นเป็นกรรมกิเลสแล้วที่จริงก็ครอบคลุมอะไรทั้งหมดไว้แล้ว มันก็อยู่ในศีลสีข้อนั่นแหละข้อที่หนึ่งก็เกี่ยวกับพัฒนาการในชีวิตตัวเองมีการกำกับควบคุมชีวิตของตัวเองให้เหมาะสมแก่สถานะที่ตนเป็นแล้วก็รักษาสถานะตรงนั้นเอาไว้โดยศีลบ้างโดยมัน ญ, ญาตบ้าง โดยสถานที่บุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ด้วยบ้างซึ่งหมายความว่าพระอาจจะพลาดในจุดใดจุดหนึ่งบางครั้งไปคบหาเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องคบหามันก็เสื่อมนะครับเช่นสมมติว่าพระไปในอคุจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปในแง่ของพระวินัย แต่พูดถึงลำดับการไปเฉยๆนะอย่าไปทำอย่างอืง่นก็ปรับเป็นอบัตทุกฏแปลว่าทำไม่ดีแต่เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นการทำลายภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นพระเช่นว่าเข้าไปในสถานที่อยู่ของผู้หญิงบางจำพวก เดี๋ยวเข้าไปในโรงพยารศพกเดี๋ยวเข้าไปในร้านสุราหรือเข้าไปในบ้านของสาวแกหมายความว่าไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยนะฮะไม่ไปทำอย่างอื่นคือพูดถึงเข้าไปเฉยเหมาก็เสียภาพลักษณ์ของความเป็นพระก็ เ, เรียกว่าซึมสง่าราสี เป็นที่เครือบแคลงสงสัยเป็นที่แหวงแล้วก็อาจจะถูกสวด ป, ประมาทโดยถูดรุ ม, มินได้าลเวลาพูดถึงศีลคะเนี่ยก็พูดไว้แค่สี่ข้อหลักสี่ข้อใหญ่เลยเขาเรียกว่าจะตุปาริสุทธิศีลหรือปาริสุทธิศีลแต่ว่ากรอบขอบข่ายเนี่ยกว้างมากข้อแรกเรียกว่าปฏิโมกะสังวร คือปฏิบัติสัมมวมระวังตามบทบัญญัติในประปาฏิโมกข์นอกประปาฏิโมกด้วยนะครับมันมีลักษณะเป็นข้อห้ามไม่ให้ประพฤติถ้าประพฤติก็ผิดมีข้ออนุญาตให้ประพฤติทาให้ประพฤติก็ผิดมันจะมีอยู่สองลักษณะแต่ถามเป็นข้อเนี่ยว่ากี่ข้อมีพระผู้ใหญ่ รูปหนึ่งคือสมเด็จพระวรรณรัตจับวัดโสมนั ส, สวิหารท่านเคยนับไว้คือท่านเก่งในพระวินัยปิฎกมากตรเนี้มันมีพันแปดสองพันแปดร้อยกว่าข้อแต่ที่เราพูดส่วนใหญ่เราพูดเฉพาะที่มีในพระปาฏิโมกคือนำมาสวดในวันวันวันปาฏิโมกกระสิขาวบทในพระปาฏิโมก แต่นอกพระปติโมกษ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่อวัตถุนัดใจกับทุกกดอับัตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทุพัสสิทีิยเป็นอันบัตที่แฝงอยู่ในปฏิโมกข์คือมันอยู่ในมุสาวัตวรคก็เรียกว่าด่าพิกษุภิกษุด่าภิกษุต้องปฏิตีนะทีนี้ส่อเสียดภิกษุก็ต้องอับัตทุพัสสิท เป็นการพูดกระทบกระเทียบเปียๆอย่างโดวยวิธีการต่างๆก็เป็นการด่าวิธีหนึ่งแต่ไม่ใช่ด่าตรงๆเขาเรียกว่าพูดไม่ดีเรีรับเป็นอาบัต์เพราะงั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันก็คือเว้นในข้อที่สอนให้เว้นประพฤติปฏิบัติในข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าบกพร่องไปเขาเรียกว่าสีแล้วิบัติวิบัติจึงมีสี่เหมือนกัน ในขณะที่สินหลักมีสีนี่ตัววิบัติก็มีสีแต่ข้อแรกเรียกว่าสีละวิบัติสีรวิบัติที่จริงมันคือต้องอะบัดปราชิกหรือว่าต้องอะบาดสังฆธิเศตตัววิบัติจริงๆก็อยู่ที่ปราชิกนะครับแต่สีข้อด้วยกันมันก็มีความระเมียดละใหม่ลึกซึ้งลงไป คือเป็นการยักย้ายสีลข้อที่สามซึ่งเป็นอภรรมอยู่มาไว้ในสีลข้อที่หนึ่งก็แสดงว่าเน้นการมีเพศสัมพันธ์ไว้สูงมากพิษุณีเนี่ยยิ่งหนักกว่าพระพิษุณียินดีเวลาผู้ชายจับแล้วก็ยินดีในสัมผัสเทู้ชายจับในปรับปราชิกเลยนะฮะคือขาดแต่พิษุณีได้ เนั้นถ้าเรามองจริงๆล่ะถ้าอยากจะเป็นภิกษุณีตามพระวินัยจริงๆเนี่ยไม่น่าเป็นหรอกรักษาศีลได้ยากสมับยุคสมัยตรงนี้จะรักษาได้ยากมากเมื่อรักษาศีลเน่บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันก็เสี่ยงนรกนะเพ้นอยู่ที่ศีลสิบศีลแปดศีลสิบ น, น, นี่ดีที่สุดที่เขานิยมเป็นทัศศีลคือศีลสิบ วก็สินแปดที่จริงสินแปก็สินเก้าอยู่แล้วนะฮะมันซ้อนอยู่สองข้อคือข้อนัทเจขีกับข้อมาลามันซ้อนกันอยู่มันก็เพิ่มไม่รับเงินแล ะ, และทองเงินไปอีกหนึ่งข้อคือไม่จับต้องเงินทองเงินไปหนึ่งข้อก็กลายเป็นสินสิทธทีนี้ในในที่นี้ส่งเน้น ทรงเน้นว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปฏิโมกข์อันสมบูรณ์อยู่หมายความมาครองชีวิตอยู่โดยศีลศีลจึงแปลว่าปกติแต่ว่าเป็นปกติภาพของพระปฏิโมกข์สังวรศีนี่มันเป็นเรื่องของพระภิกษุกับภิกษุณีผู้ง่ภิกษุกับภิกษุณีกรอบขอบข่ายมันเยอะ ผลเราเจนว่าอาบัติที่พระจะเสี่ยงมากเป็นคือเรื่องเพศตรงกันข้ามกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินยังแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าเรื่องเรื่องผู้หญิงถ้าถูกกล่าวหาเรื่องผู้หญิงแล้วอรอดยากแล้วเอาตัวรอดยากเป็นเรื่องต้องระมัดระวังมากเพราะนั้นถ้าเรามองแล้วก็คือศีลแปดนั่นเอง เปลี่ยนแต่สลับข้อหน่อยเพียงแต่ว่าสินแปดเขาต่อได้อันนี้มันต่อไม่ได้สินแปดเป็นอาคาริยาวินัยวินัยของผู้ครองเรือนคือถ้าขาดก็ต่อต่อบใหม่ได้ขาดก็ต่อบใหม่ได้แต่ของพระนี่ต่อไม่ได้ถ้าสีข้อนี้แล้วก็ถือว่าปราชัยคือพ่ายแพ้ก็สึกไปเลยก็จบไปเลยแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันไปผูกโย ง, โงโกับกฎหมายของบ้านเมือง อย่างการฆ่ามนุษย์เนี่ยมันไปผูกโยงกับกฎหมายอาญาของบ้านเมืองลักทรัพย์เนี่ยไปผูกโยงกับกฎหมายของบ้านเมืองอวดอุตริมนุษยธรรมถ้าาถึงขั้นที่หลอกลวงประชาชนจนได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็จะเข้าข่ายปปงได้ง่ายเหมือนกันแต่ทังคมชาวพูดเราหนึ่งคนกอ ง, อ ง, งแปลกนะฮะ ก็จะเห็นว่าพระที่ดังๆจํานวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นจากการโปรโมทกันคือปลุกเสกกันลูกศิษย์ปลุกเสกบ้างคนใกล้ชิดปลุกเสกบ้างหนังสือพิมพ์ปลุกเสกกันบ้างแล้วก็ดังกันก็หากินอยู่ได้อะบางทีก็หากินอยู่ได้จนตายเป็นการปลุกเสกคือพระปลุกเสกพระเครื่องเนี่ยไม่เคยดังเท่าไหร่ชาวบ้านปลูกเสกพระสงฆ์นี่จะดังมากเลย คนก็จะแห่เข้าไปนะฮะเป็นกระบวนการจัดตั้งมีการจัดรถทัวมีหนังสือเอกสารเ ก, กี่ยวกับความครังความจักสิทธิของท่านเหล่านี้ตอนนี้เหตุการณ์ภาคใต้เกิดความรุนแรงเนี่ยหลวงพ่อครั้งครังหายไปไหนหมดไปหมดทำไมไม่ลงไปช่วยบ้างแต่กายสิทธิ์อย่างที่เขียนจริงเนี่ยน่าจะลงไปช่วยมัง่งแต่โลกมันเป็นอย่างนี้นะคืออานิยายอะไรไม่คได้ ทีนี้ก็เน้นย้ำไปอีกข้อหนึ่งว่าจงเป็นผู้อยู่สำรวมด้วยความสำรวมในประปาติโมกนี้ก็หมายความาสรุปรวมคำนี้คือว่าปาติโมกก็สังวรทีนี้ในต่อไปเนี่ยมันมีข้อหนึ่งก็ได้อินเสียสังวร เป็นการสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจย ม, มูกดมกลิ่นลิ้นนิ้วร่กายถูกต้องจันนวดรอนแข็งแล้วก็ใจเหนียวนึกจึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายแต่ที่จริงแล้วมันไปอยู่ในสมาวา ย, ยามะไปแล้วคือมันเข้าระดับกิตติสิกขานะคือของพระเวลาปฏิบัติเนในความเป็นศีลที่จริงมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญา ไปถึงจุดหนึ่งข้าไปอยู่ที่จิตตสิกขาเลยข้าวไปที่สมมาวยามะที่สมัปทานนะฮะที่สมัปทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกคืออินทสียสังวรการสำรุจระวังในอินเสียเป็นการกํากับไปเข้าถึงจิตคือจิตจะไม่ยินดียินร้ายเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องหยุด น, น้อนอนแข็งคือกํากับไว้อย่าให้เกิดราคะอย่าให้เกิดโลภะอย่าให้เกิดโทสะ แต่เกิดธรรมะไม่แปลกนะที่จริงก็ยินดีเป็นธรรมะก็มีเป็นธรรมชั้นทะคือพอใจยินดีในธรรมเป็นเรื่องธรรมะในที่นี้ก็เน้นเรื่องการสำรวมระวังในอาจารละตอนทวิบัติมันก็เรียกว่าอาจาราวิบัติอาจาราวิบัติส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมต่างๆเนี่ยการใช้ยาบดิต่างๆ เดียวันก่อนได้ดูข่าวพระวินัยญาติการที่เขาไปชุมกันแล้วก็พูดถึงพวกปลอมบวชแต่ที่จริงดูง่ายนะฮะพวกปลอมบวชเนี่ยคือขมจิวรไม่เรียบร้อยแล้วก็บาทก็จะหยายและจะรุงรังนะจะรุงรังและจีวรก็จะโสปครกแต่ก็กริยาการเนี่ยมันไม่มีความสงบไม่มีความเป็นพระอยู่ภายใน เป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไขคือเราพูดโยนรองกันทันได้นะแต่อย่าลืมว่าปัญหานี้มีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเวลาเกิดทุพิกระไพข้าวยากหมากแพงเนี่ยคนก็จะแห่กันเข้าไปบวชเพราะว่าเศรษฐีแก่ไม่ประสบทุกพิกระไพรืุนบดีไม่ประสบทุพิกระไพรพระราชาไม่ประสบทุพิกระไพท่านเหล่านี้ พระราชาเศรษฐีคือบุดีพรามาสารเขาทนุบำรุงอยู่คนกลุ่มหนึ่งก็จะแห่เข้าไปบวชปลอมบวชบวชจริงบ้างปลอมบวชบ้างนะับแต่ว่าเจตนาเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพแล้วพอพอวิกฤตการณ์เหล่านั้นผ่านพวกนี้ก็สึกเพราะเขาไม่ได้บวชจริงไม่ได้ตั้งใจจริงเวลาเกิดปัญหาโรคระบาดอะไรเนี่ยก็มีปลอมบวช มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นปัญหาสังคมที่มันเกิดข้างนอกนะฮะแต่มันล้นเข้ามาในวัดเฉยๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาในวัดแต่เป็นปัญหาคล้ายๆกับว่าเอาหมาขี่เรือนเอาแมวพิการเอาสารเจ้าหากักหังพังๆเอาพระพุทธรูปแขนขาหักอะไรต่ออะไรเนี่ยมากองไว้ภายในวัดเนี่ยมันเป็นลักษณะาทางสังคมอย่างนั้นเองคือไม่รับผิดชอบ แล้วก็วัดก็กลายเป็นจนถึงประโยคหนึ่งที่เรียกว่าตัดทางปล่อยวัดทีนี้อีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในโครจร อ, อาจารากับโครจรนี่ก็ไปได้โครจรคือสถานที่ที่ไปนะอย่างที่บอกตะกี้ว่าสถานที่เป็นนันมากยันแต่ก่อนเนี่ยพระเข้าโรงแรมเนี่ยก็ถือว่าผิดเอามาเคยเข้าโรงแรมครั้งแรกที่ปาคไนเลิรเนี่ย พวกอะไรนะคารูตารี่ก็นิมนต์ไปปาตากถาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องอไปพอไปถึงเห็นเป็นโรงแรมก็แหมก็หลังเย็นเลยแต่ว่าคนเข้ามาห้อมล้อมไปเยอะนะฮะพอเข้าไปห้องประชุมก็ไม่มีอะไรก็ออกประชุมคนก็แห่กันมนาะส่งก็กลับไปได้บริเวณนี้สังคมมรู้แล้วว่าโรงแรมเนะี่ยมันคืออะไร มีการประชุมมีการสัมมน า, ามีอะไรต่ อ, อะไรที่โรงแรมก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าสถานที่ในที่บางแห่งเนี่ยมันยังไม่เหมาะแก่พระที่จะไปอย่างที่ว่าไว้ก็เลยอักโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรจะไปเพราะถ้าไปแล้วจะเป็นอันตรายเพราะแนวการใช้ปัญญาก็เยสัมปชัญญะเนี่ยมีโคจรสัมปชัญญะ คือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าสถานที่ใดควรไปหรือไม่ควรไปควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องอันนี้ต้องระมัด ร, ระวังเยอะต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเมื่อเคยเจอปัญหาบางข้ออย่างวันก่อนที่เขาถามเรื่องวาเนี่ยามาก็ตตอบไม่ถูกคือมันต้องมาศึกษาก่อนว่าวายมันคืออะไร นะพอดีมีเภสัชกรท่านหนึ่งก็โทรมาบอกส่วนผสมให้เราก็บิณฑิใช้ได้นะฮะถ้าก็ ร, ารู้ส่วนผสมนะั้นมันมีเกณฑ์ทางบวี้ในแต่ว่าตัววายเองเนี่ยเราไม่เคยเห็นเพราะอะไรล่เพราะมันอยู่ในกลุ่มของสุราน ะ, ะ่ยอยู่ในกลุ่มของสุราเพราะงั้นใครดื่มก็ผิดอ่ะทีนี้พอไปถึง จ, จุดหนึ่งเนี่ย z มเน้นคือคือว่า บาปเนี่ยอย่าคิดว่ามันเล็กน้อยคล้ายๆกับบุญอย่าคิดว่าเล็กน้อยอสรพิษอย่าคิดว่าตัวเล็กยาพิษอย่าคิดว่าจำนวนมันไม่มากไฟอย่าคิดว่ากองมันน้อยนัภิกษุอย่าคิดว่าหนุ่มพระราชาอย่าคิดว่ายังทรงพยาวนี่อันตรายต้งนั้นนะ่นะพวกนี้ตอระมัดระวังมากเลยเพราะอยที่เผาบ้านเผาเมือมันเกิดไปจากไม่ขีดกันเดียวเอง ดังนั้นจึงเน้นว่าจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยคือแม้ว่าเพียงเล็กน้อยเนี่ยถ้าใจมันเกิดวิปฏิสานขึ้นมามันเหนียวสู่นรกได้เลยนะพรอก่อนจะตายเนี่ยใจมันอ่อนร่างกายมันก็อ่อนใจมันก็อ่อนถ้ากํากับควบคุมใจไม่ได้มันกระวัดปั๊บไปถึงเป็นลึกเอาอะไรเป็นกรรมารมกรรมนิมิตารมคตินิมิตารมมันเดินเลย ก็ตกนรกก็ได้พผะจิตก่อนดับที่เป็นอสัญกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นความประณีตเพราะว่าแม้แต่การจะบรรลุมรรคผลเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรอยู่สักนิดหนึ่งเนี่ยมันได้เกี่ยวไว้เลยมันไปไม่ได้หรือแม้แต่สมาธิเนี่ยฮะไม่ไม่ต้องเอาต่อมากเรานั่งสมาธิแต่เรามีปัญหาเรื่องศีลเนี่ยพอจิตมันน้องเข้ามาสมาธิมันก็ตุกเลยไปไม่ได้ยังมีความ เศร้าหมองมีความขุ่นข้องอยู่ภายในใจเขาเรียกว่าจิตยังใช้งานไม่ได้หลังการฝึกปรือในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยมันมันอย่าลืมว่ามีอรหัสต์เป็นยอดมุ่งไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ลยรับสั่งว่าสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายสิกขาบทก็คือก้าหรือขั้นของการศึกษา การกําหนดเป็นสิกขาบทไว้ในที่ต่างๆย่งมีทั้งในปฏิโมกและนอกปฏิโมกดังกล่าวแต่สรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นปฏิโมกข์สองวรศีนเป็นการสรํารวมระวังในบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายแล้วก็เป็นอินทรีย์สังวสรสํารวมระวังในอินทรีย์ทั้งห้าทั้งหกอันนั้แล้วก็อาชีวะ อาชีวะบริสุทธิ์ที่จริงก็เป็นศีลสิกานะฮะแต่ว่าการแสวงหาการได้มาการถือครองการเริโภวใช้สอยเนี่ยต้องมีความโปร่งใสได้มาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดไม่ใช่ได้มาด้วยเล่ด้ดยกลด้วหลอกลวงอ ะ, อ, อะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีวันก่อนเนี่ยมีพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ามาไม่ค่อยไปไหน คือเขาไม่เคยเจอในงานต่างๆเนี่ยคือเราถือว่าพระจะไปิจฉนในที่นิมนต์ได้เนี่ยเขาต้องนิมนต์เราไันไม่ต้องที่อื่นแม้แต่วัดวรนเองเนี่ยถ้าไม่นิมนต์มาไม่เคยลงเลยแล้วตั้งแต่บวชมาด้วยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่บวชมาด้วยนะวัดตัวเองแม้ถ้าเขาไม่นิมนต์เป็นกิจละศาสนาไม่ลงเพราะไม่ใช่อาหารของเราอ่ะอาหารเขา เขาต้องนิมนต์เราจึงจะสามารถฉันได้มันไม่ใช่เป็นพระหนังตลุงเลยนจะไปงานไหนมีข่าวงานไหนวันเกิดใครก็ไปวันตายใครก็ไปไม่ได้หรอกไม่ไปหรอกไปก็ไปเผาได้นะไปอย่าไปฉันอย่าไปฉันอาหารอะไรเขาเราไปเจตนาจะเผาเขาน้ำมาถวายก็เป็นเรื่องของเขาเจตนาของเรานะเราต้องการจะเผาศพเท่านั้นเองคือไม่ได้เจตนาจะไปกินเลี้ยงอะไรเขา นันต้องอาชีวะนี่ต้องบริสุทธิ์เราต้องสบายใจว่าเราไม่ได้กินอะไรที่เจ้าของก็ไปได้ให้เข้าไปแล้วก็การไปพบปัจจัยสี่เาเรียกปัจจัยปัจจเวกขณะคือพิจารณาในปัจจัยสีที น, นี้ตรงนี้มันก็ทําให้พอเกิดวิบัติเรียอาชีวะวิบัติมันมีศีลวิบัติอาจจะละวิบัติ วิบัติที่ความประพฤษแล้วก็อาชีวะวิบัติการเลี้ยงชีพเนี่ยไม่บริสุทธิ์ที่จริงเวลาพระบาลีนี่แปลกคือเรียงอาชีวะวิบัติไว้ที่สี่เรียงทิฏฐิวิบัติไวนะ้น่ะที่สาจะดูแล้วว่าทิฏฐิมันเป็นเรื่องธรรมามันน่าจะอยู่ข้อที่สแต่ว่าท่านเรียงไว้เป็นที่สามเราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาให้ได้คือไม่ให้วิบัติ4ข้อนี้เกิดขึ้น แล้วก็ทำสมบัติทั้งสี่นสีนี่ให้ให้เข้าถึงความสมบูรณ์สีข้อและก็ป้องกันวิบัติทั้งสี่ข้อไปได้ได้โดยอัตโนมัตินะวิบัติทั้งสี่ข้อก็จะไม่เกิดประตัวการสาคัญเนี่ยความเป็นพุทธบริษัทจึงไม่ได้เจาะจงที่พระให้ลองสังเกตว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตให้มีความประนีต ตนเองในส่วนตนเองไม่มีปัญหาแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืน่นวันก่อนที่เจอกับอดีตรัฐมนตรีเขาตั้งข้อสังเกตว่าสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะอ่อนน้มอ่อนน้อ ม, ออนนอมและอ่อนโยนและอ่อนหวานเออเขาที่ก็จะคิด และเห็นว่ามันมันเป็นการสะท้อนจากจิตที่มีสัมมาคารวะคือให้ความเคารพยกย่องแก่คนทั้งหลายในวัยทั้งหลายเพราะในแง่ของของธรรมะแล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าผู้ผู้น้อยเท่านั้นจะต้องเคารพผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เองก็ต้องให้เกียรติยกย่องผู้น้อยอย่างที่พระเจ้ารับสั่งแก่พระมหากษัตริยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บวชตอนเท่าแล้วตอนแก่แล้ว ตุกรกัส ป, ปะเธอพึงศึกษาสำเนีกว่าเราจัดมีความเคารพยำเกรงทั้งภิกษุทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงกล้าอันนี้เป็นลักษณะของความอ่อนน้อมทีนี้กิริยาอาการพอเรามีความรู้สึกให้ความนำคัญกับคนอื่เราก็จะอ่อนโยนกิริยาการเนี่ยจะอ่อนโยนจะสุภาพเรียบร้อย จะแสดงถึงความมีสัมมาคารวะก็มีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเยาวาชนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปก็จริงสังเกตก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปจริงแต่ว่าบางครั้งบางคราวในเราพูดยากเช่นสมมติว่าพระจะพูดใ้เด็กมีสัมมาคารวะต่อพระมันพูดยากคือมันต้องช่วยกัน พ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนลูกให้มีสมาคะละวะต่อผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ก็สอนให้เด็กเนี่ยมีสมาคาลวะต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อโคดินคือไม่จะสอนกหาตัวเองสอนกหาตัวเองนี่สอนยากเจนเราฝึกให่เด็กกราบเนี่ยก็ให้กราบพระพุทธรูปไม่ให้กราบเราเวลากราบเร า, เราก็เขิน ก็ให้เด็กกราบพระพุทธรูปเราก็ตั้งคอสังเกตให้ก็แนะนำให้เด้กกราบที่พุทธรูปอย่า ก, กราบเราเองบางทีไปนั่งไปวางมากเด็กกราบมันก็รู้สึกยังไงอยู่เพื่อนแกันนะแต่นี่ทิฏฐิปิบัติหืออย่างที่ยกมาแล้วว่าทิฏฐิเนี่ยคือศีลจะจำแนงแสดงไว้วิจิตพิสดารอย่างนั้นก็ตามแต่แต่ถ้าทิฏฐิเราสมบัติ คือเป็นสมาธิมีปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยประเด็นสำคัญมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องกรรมนะฮะเป็นเรื่องกรรมกับสังสารวัตความผิดทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสความดีทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมะทั้งสองอย่างเป็นกรรมนะเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมพระพุทธเจ้าก็สอนว่าผู้อกุศลกรรมเนี่ยก็คือไอเ้เ กุศลกรรมก็คือประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นในแนวของเจตุปาลิสิตุสินสีนส่เนี่ยเป็นแนวกุศลกรรมแต่ก็แต่ันดับมาจากบัญญัติคือศีนอินรีย์สังวรก็เป็นธรรมะนะฮะอินรีย์สังวรก็เป็นธรรมะอาชีวปาริสุทธิ์นี่กึ่งธรรมะกึ่งศีนนะกึ่งธรรมะกึ่งสีนนะ คือในระดับของการแสวงหาการได้มาการครอบครองการไปพกใช้สอยเนี่ยมันเป็นกระบวนการของธรรมะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงของการแสวงหาเป็นการกำกับลิศีณแล้วก็ด้วยกฎหมายด้วยทีนี้พอมาถึงาการพิจารณาประจัยสี่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมะแล้ว จิตใจมันมีความประดิขึ้นทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ได้วิบัติอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตกลงว่ากรอบในตรงนี้ทรงใช้คำถ้าเราเรียงภาษาแล้วก็สองบรรทัดสามบรรทัดนัมม่นเองครับแต่โดยเนื้อหาการปฏิบัติก็คือระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้เป็นสมาชิกของสังคมที่ดีแล้วก็เป็นคนดีสะท้อนให้เห็นลักษณะของ ความอ่อนน้อมความอ่อนโยนแล้วก็ความอ่อนหวานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธนะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาวพุทธก็เป็นเรื่องที่ต้องเพียนพยายามจะสัมผัสหรือสรุปได้ดีนะเป็นเป็นภา ษ, ษาง่ายๆเป็นระบบศีลธรรมจัร ญ, ญาง่ายๆอ่อนโยมอ่อนโย น, อ, อ, น, โยนอ่อนน้อมอ่อนหวาน อ่อนหวานก็เป็นการสนทนาประสัยกันนะอ่ อ, อนอ่อนโยนเป็นลักษณะเป็นบุคลิกอ่อนน้อมเวลาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอ่อนหวานเป็นการสื่อสารกับบุคคลอื่นก็สรุปแล้วก็คือกายวาจาใจนั่นเองต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจึงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี